อาเช้านี้เราพร้อมใจกันสาธยายพระพุตธคุณร้อยบทอันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะสิริมงคลที่ว่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงพเพราะว่าปากเราเปล่งถ้อยคำอัน ง, งดงามออกมาแต่ว่าใจเราก็น้อมไปถึงพระพุตธคุณนั้นเมื่อใจน้อมนำแล้วเกิดเป็นกุศล อันนั้นก็เรียกว่าสริมงคลได้เกิดขึ้นประการหนึ่งละอันนี้เมื่อเราน้อมใจแล้วเนี่ยนอกจากจิตใจเป็นกุศลแล้วเรายังเกิดศรัทธามั่นคงแน่นแฟนในพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราก็ทําให้เรามีพลังนะในจิตใจ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 พลังนะในการที่จะทวนกระแสนะเพื่อนำชีวิตไปของเราไปสู่ภาวะที่ดีงามอันนี้นอกจากศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์หลวนทัองพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยราบว่าเราได้พิจารณาพทุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งมีอยู่มากมายนะ พิจารณาว่าเป็นอุดมคติของชีวิตเพราะคุณสมบัติโดยเฉพาะภาวะภายในที่ปราศจากทุกได้ถือว่าเป็นอุดมคติของชีวิตที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่อันนี้ก็จะยิ่งเป็นสิริมงคลมากขึ้น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 ความจริงของชีวิตโดยเพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะคืนที่พระเจ้าตัดสรุคนี้พระองค์ก็ตัดสรุปเรื่องนี้แหละท่านพรงได้พิจารณาแล้วก็เห็นความจริงที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการแห่งการเกิดทุกข์ปฏิจจสุ บ, บาทิรงได้ได้ค้นพบนะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งแจ่มแจ้ง ตลอดสามยามก็ทำให้จิตหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เพราะว่าได้เข้าใจความทุกข์อย่างจำแจ้งพระองค์ได้เห็นกระบวนการของการเกิดทุกข์นะปฏิจจสุบาททั้งกระบวนการที่เกิดทุกข์แล้วก็กระบวนการที่ดับทุกข์แล้วก็ทรงนำมาแสดงในรูปของอริยสัจสี์นะ ตอนที่พระองค์นำแสดงธรรมให้กับยศกุลบุตรตนบรรลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้แสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทนะแต่ว่าแสดงโดยสายหลักอริยสัจ4ี่นะก็เรียกว่าเป็นการเอามาอธิบายใหม่ความจริงที่พระองค์ค้นพนะบางทีอธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาทอาจจะเข้าใจยากรวองก็มาอธิบายใหม่ในรูปของ อลเลสซัสสีนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกรีแพ็กเกจก็ได้ทำมาเอามาใส่แพ็กเกจใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสาระก็ก็เหมือนเดิมก็คือการเข้าใจเรื่องความทุกข์เป็นเป็นเรื่องแรกเลยสิ่งที่พระองค์ค้นพบ ก, ก็คือเรื่องของทุกข์นี่นแหละแล้วก็ทางดับทุกข์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 เวลาพูดถึงทุกเนี่ยนะมันเป็นควาว่าทุก์นี่มันเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นหัวใจในคำสอนของพุทธศาสนาเลยทีเดียวจนกระทั่งบางคนเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพวกทุกนิยมคือนิยมทุก์หรือมองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ทุกทุแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ที่เห็นเนี่ยเพื่อจะได้ผลทุกขนะ์เพื่อจะได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะสุขที่ประเสริฐนั้นมีอยู่นะแต่ว่าต้องผ่านการเข้าใจทุกข์ซะก่อนนะทุกข์เนี่ยเป็นทางผ่านที่นาไปสู่สุขได้แต่ทางผ่านนี้นะจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจนะทุกข์อย่างถูกต้องเวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยนะมันมี2ระดับหรือ2ความหมายนะ ความหมายแรกเนี่ยหมายถึงทุกขเวทนานะทุกกายทุกใจความหมายที่สองเนี่ยเป็นความหมายที่กว้างมากนะหมายถึงสภาวะยืนพื้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอย่างที่เราได้สาธยายกันบ่อยๆว่าัาเพสังคาราทุกขังสังขารทั้งหลาย ทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นทุกข์นีเสาวก็ดีบ้านเรือนก็ดีนะแม้กระทั่งความรู้สึกเช่นเวทนามันก็เป็นทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในความหมายที่สองเนี่ยก็หมายถึงสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้เป็นสภาวะที่ไม่คงตัวสภาวะที่ต้องเสื่อมไป อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นสภาวะที่พร่องไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่เสถียร น, นะบางทีท่านก็ใช้ว่าไม่คงตัวไม่คงตัวคือไม่เสถียรเป็นตั้งแต่ในระดับอะตอมไปถึงจักรวาล น, นะตอนนี้ก็ไม่เสถียรนะโดยเฉพาะกรรมันตลังสีนี่มันไม่เสถียรเห็นได้ชัดแต่ถึงแม้ในธาตุอื่นมันก็ไม่เสถียรมันกัน ไปถึงจั ก, กรวาลเลยนะก็ไม่สถียรมันมีความแปรเปลี่ยนมีความเกิดดับเกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้คือทุกในความหมายที่2ที่ฉันท่านใช้คำว่าสภาวะทุกข์หรือว่าตัวสภาวะยืนพื้นคาที่ใช้เรียกคำหนึ่งคือว่าสังขารทุกขตาก็คือทุกที่เป็นสภาวะของสังขารทั้งปวง ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมส่วนทุกข์ที่มันเป็นเวทนาเนะีเวทนาจะเป็นสุข จ, จะเป็นเวทนาทางกายก็ตามเวทนาทางใจก็ตามนี่เขาก็มีคำเรีย์คำหนึ่งนะหรือว่าทุกขะทุกกตาแต่ว่าเราก็อย่าไปสนใจคำบาลีเลยแต่คอยเข้าใจความหมายก็พอนะว่าเวลาท่านพูดถึงทุกข์เนี่ยนะเราก็ต้อง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 ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดไปจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ทุกข์อันนี้แหละท่านหมายถึงทุกขเวทนาที่เรียกว่าทุกขะทุกขตาเป็นทุกข์ที่พระเจ้าเอ่ยถึงมากนะในในอริยสัจสี่แต่ถ้าเป็นทุกข์ที่เป็นสภาวะยืนพื้นนี่ท่านจะ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 ทางกายทางใจเท่านั้นนะในตอนท้ายนั่นก็จะปิดท้ายนะทุก12ประการด้วยคําว่าว่าโดยย่อุปท า, านขันธ์ตั้ง5้าเป็นตัวทุกอุปท า, านขันธ์ตั้ง5เป็นตัวทุกเนี่ยนั่นหมายถึงให้ทุกนี้ใ น, ท, น, ท, นที่ว่านี่หมายถึงทุกยืนพื้นนั่นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทุกข์ก็คือว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์มันไม่เสถียรมัน อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันถูกบีบคั้นนะด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกภายในเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยไงนะปัญญาเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแปรปวนมันก็แปรปวนแล้วก็ดับสลายไปได้อันนี้เป็นธรรมดาการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างนี้เนี่ยนะมันสําคัญมากเพราะจะช่วยทําให้เราเกี่ยวข้องกับ ทุกอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกอย่างถูกต้องทั้งที่เป็นทุกขเวทนาแล้วก็ที่เป็นสภาวะทุกข์เช่นถ้าเป็นทุกขเวทนานะเราก็มีสติรู้เวลาปวดกายปวดเมื่อยที่เท้าปวดมือถ้าเราก็มีสติรู้มันก็จะทุกแต่กายนะใจไม่ทุกทุกแต่กายใจไม่ทุกเปรียบเสมอนกับ ที่คุณมาคงศักดิ์ได้พูดมาตอนบ่ายว่าเนี่ยเมื่อวานว่าเนี่ยเจอแค่ธนูดอกเดียวส่วนธนูดอกที่สองนี่ยิงผิดเป้านะไม่ถูกแต่คนทั่วไปเนี่ยพอเจอทุกขเวทนาเขา้าที่แรกเกิดที่กายก่อนแล้วก็ไม่เห็นมันไม่รู้มันก็เลยทุกใจไปด้วยอันนี้พราะไม่มีสติรู้เวทนาก็เลย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 เกิดผลตามมาทุกตัวนี้เนี่ยหมายถึงทุกขเวทนาแล้วนะเมื่อใดก็ตามที่เราเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์นะก็คือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสเนะียรวมทั้งธรรมารมด้วยเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะมีทุกข์ตามมาในทุกขสองตัวนี้คนละอันกันนะทุกตัวแรกนี่คือสิ่งที่มันพร่องไม่สมบูรณ์ไม่เสถียร สิ่งที่มันต้องดับไปต้องเสื่อมไปแล้วก็ดับไปในที่สุดส่วนทุกตัวที่2เนี่ยก็คือทุกขเวทนาอาเราต้องถ้าเราเข้าใจว่าทุกสองตัวนี้มันเป็นคนละความหมายเนี่ ย, ยจะเข้าใจคําสอนของพระเจ้าได้ถูกต้องเวลาพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมีแต่ทุกทานาที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเนี่ยฉันไม่ได้ไหมายถึงทุกขเวทนานะ นะถ้าหมายถึงไอ้ทุกข์ที่มันเป็นสภาวะยืนพื้นซึ่งเกิดกับขันทั้งห้าทุกชนิดสิ่งทั้งปวงล้วละแต่เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เราดินด้วยหูนะรับรู้ด้วยเสียงหรือว่ารับรู้ด้วยลิ้นนะคือรสไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วละแต่เป็นทุกข์คือเสื่อมไป ต้องเสื่อมไปในที่สุดรวมทั้งทุกที่เกิดกับสภาวะทางนามธรรมด้วยในจิตใจด้วยคารนี้การรู้ความทุกการรู้ทุกเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะโดยเพราะาทุกโเวทนาทางกายเพราะว่ากายเราเนี่นะ มันก็ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4ีหรือท่าทั้ง5ามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแก่กต้องเจ็บต้องป่วยไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้เจ็บให้ป่วยนะแค่นั่งนานๆนานเนี่ยมันก็ทุกข์ละแล้วลมันก็แสดงออกมาเป็นทุกขเวทนาเราหนีไม่พ้นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับ มันยังถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์นะทุกข์เนี่ย น, นีไม่พ้นต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องมันยางถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเราจะเกี่ยวข้องมันได้อย่างถูกต้องอย่างไรนะคำตอบคือรู้ทุกข์นะด้วยนี้พู้เจ้าจึงสอนว่าเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือว่ากาหนดรู้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 แต่ว่ามันมีความหมายที่กว้างลึกกว่านั้นนะการรู้ทุกข์นี่สําคัญนะเมื่อทุกข์เกิดคือนแล้วรู้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ทุกข์หรือเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้คือเวทนาแล้วนะคือทุกข์โควเวทนาดังนั้นการการรู้ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะ มันเป็นหัวใจสำคัญของการพ้นทุกข์รู้ทุกข์มีความหมายว่าอะไรนะความหมายแรกนะก็เป็นความหมายพื้นๆก็คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรได้แก่อะไรเช่นรู้ว่าเออเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ความโศกความร้อนรนลาพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อย่างที่เราได้สวดนะเป็นการสาธยายทุกข์ ในรูปต่างๆรู้ทุกข์คืออะไรหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการรู้ด้วยการท่องจําก็ได้นะรู้ด้วยความคิดเอาก็ได้แต่ว่ารู้ทุกข์มันมีความหมายมากไปกว่า น, นั้นความหมายอีกชั้นหนึงคือว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ก็คือรู้ตัวเมื่อเกิดทุกข์บางทีทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัวนะ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 ไอ้ที่โกรธเนี่ยมันเป็นใจที่มันโกรธไม่ใช่เราโกรธแล้วต่อลังกรู้ต่อไปว่า อ, อ๋อทุกมันเกิดขึ้นกับกายทุกมันเกิดขึ้นกับใจความโกรธเกิดขึ้นกับใจนะความทุกเกิดขึ้นกับร่างกายจตว่าเป็นคนละอันกันนะกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งความโกรธก็อันหนึ่งนะเห็นว่า ทุกมันเกิดกับกายทุกมันเกิดกับใจแล้วก็ลูกตอบรู้ไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะว่าเออทุกเนี่ยมันเกิดกับขันทั้งห้าทุกเนี่มันเกิดกับขันทั้งห้ามันเห็นขันนะย่อยออกมาแล้วนะไม่ใช่ทีแรกเห็นแต่ตัวเราตัวเราทุกเราทุกตอนหลังก็เห็นว่าเออลูป ก, กับนามกายกับใจมันทุกต่างหา เราเห็นย่อยอีกนะเป็นขันธ์ทั้งห้ามันทุกข์ทุกเกิดขันธ์ทั้งห้าไม่มีใช่เราทุกข์นะไม่มีผู้ทุกข์ตรงนี้ต้องเป็นต้องอาศัยปัญญาแล้วนะปัญญาที่มันเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับขันธ์ทั้งห้ามันไม่มีตัวเราที่เป็นผู้ทุกข์ละแล้วถ้าเห็นไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ สิงทั้งหลายนี้ทุกทั้งนั้นเลยไอตอนที่เห็นว่าความทุกเกิดขันตั้งห้าเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันทุกเกิดขึ้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเช่นหิวแดดร้อนฝนตกเป็นโรคป่วยแก่เจ็บ อ, อ๋อนี่ทุกเกิดขึ้นกับขันตั้งห้าหรือว่าหลงลืมนะนึกอะไรไม่ออกนึกชื่อคนไม่ออกนะสมองเริ่มเสื่อมหรือว่าอาจจะเกิด ข, ข, ขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว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 ก็ไม่เอาละพาอไม่รู้จะเอาไปทำไมนะจับก้อนฐานมันก็เผาะมันก็ลวกนะมันก็ทำให้กลายเป็นทุกข์แต่ว่าที่จับนี่เราไม่จับด้วยกายลนะ้วจับด้วยใจก็คือความยึดถือนั่นเองนี่ถนะ้เห็นแบบนี้เนี่ยมันวางเลยนะวางเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เห็นว่ามัน มีดีที่ตรงไหนพรวางได้ก็เกิดความเบาความสบายเป็นความสบายความเบาที่เกิดจากการที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นพอเห็นทุกข์นี่ก็ทําให้มีความสุขได้นะเห็นทุกข์ก็ทำให้มีความสุขได้ถ้าเห็นอย่างที่ว่ามาการเห็นที่ว่าต้องอาศัยปัญญานะ ซึ่งน้องอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวเป็นตั ว, ตวบุกเบิกเพราะงั้นการเจริญสติปัฏฐานสําคัญมากนะในการที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้ที่แรกสติมันช่วยทําให้เห็นว่าอ๋อไอ้ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราแต่ตอนหลังสติเมื่อนาํามาใช้ดูกายดูใจอย่างต่อเนื่องมันก็จะเห็นว่ากายและใจนี่มันเป็นทุกข์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 เปลี่ยนแค่รู้ทุกว่าทุกคืออะไรนะเหมือนกับที่เราท่องมาเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ต้องเจริญสติจนกระทั่งเห็นทุกเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าอ๋อทุกมันเกิดขึ้นกับการกระจายไม่ใช่เราทุกนะแล้วมันจะค่อยเห็นลึกลงไปเรื่อยๆนะลึกลงไปเรื่อยๆ และการรู้ทุกอย่างถึงที่สุดเนี่ยจรู้ว่าขันธ์ทั้ง5าเป็นตัวทุกข์อย่างที่เราสวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นได้เวาะฉะนันเนี่ยทุกข์นี่มีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันให้เป็นหรือเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกก็คือใครครวนพิจารณาแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นนะเช่นไปเป็นทุกข์ ทนที่จะเห็นทุกขก์เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าขาดทุนเลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็คลําครวนกับทุกข์ไม่ได้อามาพิจารณาไม่ใช่ไม่ได้อามาไคร่ครวนเท่าไหร่พอไคร่ครวญหรือพิจารณามันก็จะรู้จักทุกข์ดีขึ้นและใช้ถ้าใช้ทั้งสติทั้งปัญญานะเข้ามาในการที่จะรู้ทุกข์จนกระทั่งเขา้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง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 ทั้งทุกขเวทนาทั้งที่เป็นสภาวะทุกข์แต่เนื่องจากเราไม่ยึดมั่นถือมันกับมันพราะรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นใจก็ไม่เป็นทุกข์ต่อไปให้คําว่าพ้นทุกข์เนี่ยนะก็คือว่าใจไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายแล้วพอรู้อย่างแจ่มแจ้งนะจนกระทั่ง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 มัน ม, มีเหตุปัจจัยให้ไปเกิดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายวันนี้นเรื่องความทุกข์นี่เราให้เราพยายามเข้าใจนะให้ดีเริ่มแต่ว่าทุกข์ที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดในความหมายอะไรเป็นทุกข์ในอริยสัจหรือทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นทุกข์ ท, กก ท, กที่หมายถึงทุกขเวทนาหรือว่าทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข